ฐานะธรรมของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทคือทางแห่งความแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกทั้งหลายผู้ดำเนินให้ถูกต้องตามหลักแห่งสวาาธรรมนี้แล้วยอมจะเป็นผู้สงบเย็นไปโดยลำดับ นี้จะเป็นทางคารวาสก็มีความสงบเย็นในครอบครัวและสังคมต่างๆไม่ก่อความยุ่งยากวุ่นวายให้เกิดขึ้นแก่กันและกันจนกลายเป็นเรื่องกระบกกะเทอนไปทั่วประเทศชาติบ้านเมืองทางด้านพร ะ, ระเราก็จิตใจที่เคยสั่งสมแต่ อ, อารมณ์ทั้งหลาย ตลอดเวลาไม่มีการยับยัง้งไม่มีการพักตัวเลยนั้นก็มีเวลาที่จะพักผ่อนย่อนอารมณ์เข้าสู่ความสงบได้โดยไม่ต้องสงสัยโดยทางกิตตภวนาเป็นสำคัญกิตตภวนานี้เป็นธรรมชาติ ที่คุยเกี่ยวกุดค้นหาหลักความจริงทั้งหลายทั้งเป็นฝ่ายสมุทยัยทั้งเป็นฝ่ายมรนิโรดจะทราบในระยะเดียวกันเพราะทรรมทั้งสี่ประเภทนี้เป็นธ ร, รมเกี่ยวโยงกันอุค้นคว้าย่อมจะทราบสิ่งเดีวนี้โดยลำดับไปด้วยกัน ถ้าใช้การบังคับบัญชาจิตใจของตนด้วยสติไม่พลังให้เผอไปตามอารมณ์แห่งความต่ำซามทั้งหลายที่เคยเป็นมาและฝังลึกอยู่ภายในใจจะมีแต่ความสงบเยือกเย็นไปโดยลำดับภายในจิตใจจี่ใจไม่สงบก็คือใจถูกผลักดันออกให้คิด ตามเรื่องของสมุทยัยซึ่งตัวสมุทัยนั้นก็เป็นตัวผลักดันออกมาหรือกิเลสนั่นแหละผลักดันจิตใจให้คิดให้ปรุงปรุงจึงปรุงแต่เรื่องของทุกข์ของสมุทยัยไปโดยลำดับลำดางานของจิตจึงมีแต่เรื่องของทุกข์ของสมุทยัยเต็มหัวใจท่านหัวใจเราในวงปฏิบัติโดยเฉพาะ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องโลกสงสารที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเราพูดในวงปฏิบัติของเราซึ่งควรจะทราบสาเหตุของสิ่งเหล่านี้ด้วยคิตอภาวนาแต่ก็ทราบไม่ค่อยได้และทราบไม่ได้เพราะอะไรเพราะความสนใจรู้สึกจะมีน้อยความตั้งใจมีน้อยความมุ่งมั่นมีน้อยหรือไม่มี ถ้าสิ่งเหล่านี้บกพร่องไปงานการของเราที่ทําคือจิตตภาวนาก็ย่อมบกพร่องไปตามพั้งพังเผลอเผลอประติดประต่อกันได้ชั่วคู่ชั่วยามแล้วก็เผลอไปเผลอไปเพราะความตั้งใจความจดจ่อมีน้อยความมุ่งมั่นมีน้อยเข้มทิศทางเดินอันแน่นหนามั่นคงก็คือความมุ่งมั่นนี่เป็นสําคัญมาก ได้เคยดำเนินมาแล้วจึงได้นำมาอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนว่าเป็นผลมีผลให้เกิดโดยลําดับลาดาจนเป็นที่พอใจเพราะความตั้งมั่นความหมายมั่นปั้นมือความมุ่งมั่นมีสำคัญมากเป็นเ็มติดเพื่อ ความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามความอดความผลในการแก้กิเลสหรือฆ่ากิเลสนั้นให้เป็นไปตามกันด้วยความมีกำลังโ ด, โดยสม่าเสมอเพราะความมุ่งมั่นเราฝังไว่ลึกเป็นหลักแน่นภายในจิตใจแล้วถ้าไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรทำไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอแล้พอให้แล้ววันแล้วคืนเท่านั้น อย่างไรก็ต้องเป็นไปตามที่เคยเป็นมาแล้วนี่แหละหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้จิตจะสั่งสมตั้งแต่เรื่องทุกเรื่องสมุทยัยเต็มหัวใจเต็มหัวใจจนล้นหัวใจไม่มีที่ตรงที่วางเพราะไม่หยุดต้นเหตุคือความคิดตรุงด้วยอำนาจของสมุทัยนั้นผลักดันให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเป็นลาดับลาดา หัวใจดวงหนึ่งหนึ่งน่าจะได้บรรจุอัตธรรมเข้าสู่ตัวเองแล้วกลับกลายเป็นเรื่องขวนขวายสิ่งเหล่านี้โดยหลักธรรมชาติของมันเองอยู่ตลอดเวลาจิตจะหาความสงบล่งเย็นได้อย่างไรนี่นับปฏิบัติของเราที่ไม่ได้เหตุได้ผลต้นปลายอะไรพอ ให้เป็นที่มั่นใจให้เป็นที่อบอุ่นภายในตัวเองก็เพราะเหตุแห่งความเล้วไหลของใจนี่แหละไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีจุดไม่มีหมายทําไปพอแล้วแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งตื่นขึ้นมาก็ตื่ตนเมื่อตื่นแจ้งหรือเสียวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีแต่เมื่อกลับแจ้งเป็นมาตั้งกลับตั้งกันแล้วไม่ทราบจะตื่นไปหาอะไร รูปเสียงตืง่นลดเครื่องสัมผัสมีเต็มโลกเต็มมังสาลก็เคยมีมาเป็นเวลานานแล้วตั้งกับตั้งการเฉนเช่นเดียวกันมันน่าจะมีความอิ่มพอหรือเบื่อหน่ายต่อสิ่งทั้งหลายที่จำเจกันดดตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องความสัมผัสสัมพันธ์กันแต่แล้วมันก็ไม่มีความอิ่มพอยิ่งติดยิ่งพันยิ่งหมุนยิ่งแน่นเข้าไป ทุกข์ก็ยิ่งทวีคูณภาณาจิตใจใจแต่และดวงละดวงของผู้ปฏิบัติถ้าหากว่าเป็นภาชนะมีฝาปิดเปิดขึ้นมานี้มีตั้งแต่ที่เลยเต็มหมดทำแม้นิดหนึ่งก็ไม่ค่อยจะปรากฏและไม่ปรากฏเลยแล้วเราจะหวังเอามรรคผลนิพพานที่ไหนขอให้ท่านตั้งหลายคิดให้มากในข้อนี้ ผมวิตุวิจารหมู่เพื่อนเป็นลำดับลำดายิ่งเท่าแด่ทํางานไม่ได้คือให้การอบรมสั่งสอนไม่ได้เท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้วิตุวิจารเป็นห่วงเป็นใ ย, ยหมู่เพื่อนมากขึ้นโดยลำดับเพราะสิ่งที่มันสั่งสมตัวของมันก็ดังที่กล่าวนี้ในหัวใจใดของพระปฏิบัติเราที่ไม่สั่งสมสิ่งนี้โดยอัตโนมัติ เราอยากจะพูดว่ามันจะไม่มีหนาะหรือไม่มีเดินจงกรมก็สั่งสมแต่สิ่งเหล่านี้นั่งสมาธิภาวนาก็มีแต่ชื่อแต่นามมีแต่ความหมายความมั่นเฉยๆภายในจิตใจลมๆแรงๆผู้ทํหน้าที่อย่างแท้จริงก็คือสมุทยคิดตรงเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งเป็น เรื่องของสมุทัยล้นล้วนผลยังมีแต่เรื่องความทุกข์ความทรม า, านภายในจิตใจหาเวลาว่างหาเวลาสงบเย็นใจไม่ได้เลยนี่แล้ววันนี้ก็เป็นอย่างนี้วันต่อไปนิสัยของคนเราที่เลื่อนลอยก็ย่อมเลื่อนลอยไปตามเรื่องลอยไปเรื่อยๆ อ, อย่างนั้นหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นี่ ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ว่าสวดคาถามตรัดไว้ชอบชอบแต่ธรรมตัวของเราเองไม่ชอบนำธรรมะเช่นสติธรรมปัญญาธรรมเข้ามาเพื่อจะกำจัดป่าเต่าที่เหล็กก็ให้มันปัดออกเสียปัดออกเสือเหลือแต่ความฟุ้งซ่านลำคาญภ า, ายจในจิตใจนี่ความสงบคือสมาธิจึงไม่ปรากฏภ า, ายในใจได้ถ้าเราตั้งหน้าตั้งตา ตั้งใจพึ่งขาจริงๆแล้วกิเลสตัวไหนว่างั้นเลยที่จะเหนืออํานาจของธรรมไปได้เพราะธรรมนี่เคยป ร, ราบกิเลสให้ราบคาบมาแล้วตั้งแต่การในไห น, ไ, หนไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระสาวกของพระพุทธเจ้ามีจํานวนมากน้อยเอพียงไรล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยอํานาจแห่งธรรมที่ป ร, ราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมือแล้วนั่นแหละ แต่พวกเราเอามาปราบมันกลับกวงข้ามให้กิเลสปราบเสือเรียบปราบเสือเรียบวันหนึ่งวันหนึ่งเดินจงกรมก็เป็นลมลมแรงแรงไปหมดทำความเพียรมีแต่เรื่องลมลมแรงแรงหาตัวจริงที่พอจะยึดจะเกาะให้ได้รับความสงบเย็นใจเช่นสมาธิบ้างไม่ได้เลยนี่เป็นยังไงนักปฏิบัติเรานีแต่ที่วิตกวิจารกระหมู่เพื่อนเรื่องของกิเลสนั้นละเอียดมากที่สุดเลย ถ้าจะให้พูดในเรื่องความละเอียดของกิเลสนี้หาที่สิ้นสุดไม่ได้ละเอียดเอาสุดฉีดจุดแดงขนาดนั้นต้องมีทำเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องทดสอบกันถึงจะรู้ว่ากิเลสเป็นความละเอียดละออแหลมคมขนาดไหนจึงได้ครอบครองหัวใจของสัตว์โลกไม่ว่ารายใดก็ตามให้จมอยู่ในเนื้อมือของมันจนได้จนได้นไดเนี่ยเว้นพระพุทธเจ้าพระหันท่านเท่านั้น ที่สามารถการที่ท่านสามารถพ้นจากในเนื้พ้นจากเงื้อมือหรืออำนาจของมันก็เพราะท่านเห็นแก่ธรรมถือกิเลสเป็นข้าสุดจริงๆอย่างถึงใจถึงใจถือธรรมเป็นเครื่องป้องกันตัวและเป็นเครื่องปราบตามันอย่างถึงใจเช่นเดียวกันแล้วก็ฟาดเวี่ยงกันด้วยความพอหกพอใจความสนใจจดจ่อต่อเนื่องกันตลอดเวลากิเลสตัวไหนมันจะเหนืออำนาจของธรรมไปได้ มันยอ่อบสงบมันจะดิ้นยิ่งกว่าหมาบ้าก็ตามมันสงบลงจนได้เพราะอำนาจแห่งธรรมวิธีการฝึกทรมานก็ดังเคยอธิบายให้ฟังแล้วเรื่องถาดเรื่องขันนี้เป็นเรื่องเสริมกิเลสได้เป็นอย่างดีไม่สงสัยแต่ขาดขันมีกำลังมากการตั้งสติก็ล้มล้มปัญญาก็เป็นสัญญาให้กิเลสไปถลุงเสียหมดนี่ อำ น, น, นาจของธาตขันธ์ที่มีกำลังเสริมกิเลสได้เป็นอย่างดีไม่สงสัยเพราะเคยเป็นมาแล้วถึงได้นำเรื่องเหล่านี้มาสั่งสอนหมู่เพื่อนตลอดวิธีฝึกทรมานตนเองในอาการต่างๆนำมาสั่งสอนหรืออบรมหมู่เพื่อนให้เป็นคติทั้งหมดไม่มีเหลือในหัวใจนี้เลยก็เพราะมันฝึกยากผูกที่จะปฏิบัติทาให ปรากฏอย่างน้อยความสงบเย็นใจเป็นใจเป็นสมาธินี่ต้องเลยตั้งหน้าตั้งตาทําอย่างจริงอย่างจังไม่เช่นนั้นจะไม่ปรากฏความสงบเย็นใจเลยถึงเวลาที่ควรจะทุ่มกันลงก็ต้องทุ่มมีบทหนักบทเบาในการประกอบความเพียรมีบททุ่มบทเทกันลงบทผ่อนผันสั้นยาวนั้นไม่ต้องบอกนั่นค่อยเป็นของมันไปดีไม่ดี พ่อนนงสะจนหย่อนยานถ้าเป็นเชือกก็มัดขาพันขาจับของเดีย๋ยวนี้เป็นแต่อย่างนั้นในเรื่องที่จะเด็ดจะเดียวกับสิ่งที่เป็นข้าสุดไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีภายในใจมันจึงลำบากในการปฏิบัติที่จะให้เห็นผลประจกักษ์เยียงสมาธิเท่า น, นั้นก็เย็นสบายแล้วอยู่คนเดียวก็ได้ ผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วถือจิตไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรถเครื่องสัมผัสต่างๆทั้งอดีตอนาคตอยู่ในปัจจุบันคือความสงบแนบแน่นในตัวเองนี่เท่านั้นก็พออยู่พอเป็นพอไปแล้วในวันหนึ่งๆเพลินอยู่ในนั้นอืมสิ่งเหล่านั้นไม่รบกวนเพราะอะไรเพราะสังขารอันนี้ไม่ออกไปปรุง ปรุงเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสต่างๆสลังขานเหล่านี้ถูกความสงบบีบบังคับมันไว้ให้สงบตัวไม่ให้ดีดให้ดิน้นอำนาจแห่งความสงบด้วยอดด้วยธรรมนั้นมีเหนือสิ่งเหล่านี้หลังขานเหล่านี้จริงไม่ไปปรุงสัญญาไม่จริงไม่ไปหมายอะไรมีแต่ความรู้ล้นหลวั่น ล้วนวนั่นหมายถึงรุนร้วนใ น, นขั้นสมาธิอยู่สบายวันหนึ่งคืนหนึ่งลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนไม่ค่อยคิดไม่ค่อยสนใจรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเคยเป็นภัยมาแต่ก่อนเพราะตัวนี้ไปเป็นภัยต่อตนเองจากการปรุงแต่งของตัวเองก็สงบลงเมื่อตัวนี้สงบลงไปแล้วเรื่องกวนใจก็ไม่มีมีแต่ความสงบถ้าเป็นน้ําก็นิ่ง ใจนิ่งน้ำนิ่งก็ย่อมจะใสส ะ, สะอาดไปโดยลำดับตะกอนนอนก้นองถ้าเป็นหุวยน้องคลองบึงก็นอนกน้นนี่ตะกอนของกิเลสก็นอนกน้นไม่ฟื้นตัวขึ้นมาไม่ดีดไม่ดิ้นจิตไม่ผลักไม่ดั น, จ, ดนจิตใจ ให้คิดเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องของมันเองให้สร้งสมขึ้นมาสิ้นกองทุกทั้งหลายใจก็สงบเย็นนั่นมีเพียงขั้นสมาธิเท่านี้เราก็เห็นคุณค่าแล้วแล้วกสมาธินี้มันควรที่จะทําได้ง่ายกว่าเรื่องของปัญญามากมายตั้งใจฝึกตั้งใจอบรมเอาจะเอาจริงเอาจังทําไมจะไม่รู้ทําไมจะไม่เป็น เพราะทเป็นเครื่องฝึกอยู่แล้วทาเป็นเครื่องปราบความฟุ้งซ่านอยู่แล้วสติเป็นสาคัญมากนะเรื่องสตินี้เว้นไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดของนักภาวนาจะเผลอไปไม่ได้นี่คือหลักแห่งการภาวนาเพื่อจะให้จิตสงบถือเรื่องความปรุงความแต่งเป็นค่าศึก ข, ของใจเป็นค่าศึก ข, ของสมาธิภาวนาสติให้รู้แม้ทาการทางานอะไรอยู่ ก็ให้เป็นสัมปะชัญญะคือให้ความรู้อยู่กับตัวอยู่กับตัวผู้เป็นนักภาวนาต้องเป็นอย่างนั้นจึงต้องลำบากจิตนี้ต้องถูกควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอธิยาบทใจนอกจากหลับเท่านั้นต้องถูกควบคุมอยู่ตลอดจึงเรียกว่าผู้รักษาใจเมื่อควบคุมอยู่ด้วยสติแล้ว จิตย่อมจะเข้าสู่ความสงบเย็นใจสบายได้สบายหลายครั้งหลายหนสงบหลายครั้งหลายหนก็เป็นฐานแน่นหนามั่นคงขึ้นมาที่ใจแน่นเป่งห น, น, นีใจเป็นสมาธิจากความสงบหลายครั้งหลายหนสร้างฐานขึ้นมาในตัวเองให้เกิดความมั่นคงขึ้นได้เพียงแค่นี้ก็สบายแล้วไม่มีอะไรกวน อะไรจะรู้จะ ก, จกลวนนอกจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสมัมผัสโดยหมายเอารูปข้างนอกมาเป็นสัญญาอารมณ์ทั้งๆที่ใจเป็นผู้ไปปรุงไปแต่งเรื่องรา่เหล่านั้นเข้ามารูปไม่ทราบเขาอยู่ที่ไหนเสียงกลิ่นรสเครื่องสมัมผัสไม่ทราบเขาอยู่ที่ไหนแต่ผู้นี้ปรุงขึ้นมา ส, สดร้อนเผาตัวเองมันจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อความสงบทับหัวมันอยู่แล้วมันก็ไม่ปรุงไม่แต่งแล้วก็อิ่มตัวเองคือใจอิ่มอยู่ในตัวเอง ได้อาหารคือความสงบเป็นเครื่องดื่มเป็นเครื่องเสวยมันจึงไม่หิวโหวยในอาหารใ น, ในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นพิษเป็นภัยเหล่านั้นใจจึงสบายนี่เดียวว่าใจอิ่มตัวเมื่ออิ่มตัวแล้วจะพาดก้าวทางด้านปัญญาจึงง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ทะเละทะลายจิตอิ่มอารมณ์เมื่อจิตอิ่มอารมณ์แล้ว เราจะพาพิจารณาเรื่องทางด้านปัญญาจะเป็นไตรลักษณ์ใดก็าตามหรืออสุภะอสุพังในร่างกายของเขาของเราตลอดสัตว์ทั่วโลกดินแดนเห็นเห็นเป็นอสุภะสุพังไม่หยุดไม่ถอยในการพิจารณาหรือแยกออกเป็นอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีอยู่โดยสม่ำเสมอจิตต้องมีความอย่างทราบลงไปโดยลําดับลึกซึ้งลงไปละเอียดลงไปต่อไป ความรู้ที่เป็นความจริงอันนี้ก็ซึมซาบก็สู่หัวใจกลายเป็นใจที่จริงต่อใจรักจริงต่ออรุปะอรุปังนั่นแหละที่นี่จะเริ่มรู้ความจริงทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงอันว่าสวยว่างามว่ากีรังถาวร น, นั้นมันเป็นเรื่องของทิเรียกตุงแต่งหลอกสัตว์โลกต่างหากมันไม่ใช่ความจริงความจริงแท้ก็ดังที่กล่าวนี้แหละเนี่ยปัญญาเวลาก้าวก็ก้าวอย่างนี้ ถ้าไปไหนก็ทำงานตามหน้าที่ของตนของตนเพราะไม่เถือทไลไลเนื่องจากไม่หิหวโหยในอารมณ์ท่านจริงว่าสมาธิปริทาวิต า, าปัญญามหาปราหุตีมหานิสั่งซาปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอริสงมากท่านกล่าวว่าอย่างนั้นในตำราในภาคปฏิบัติเพื่อพูดเอาความเลยแปลโดยโดยอัดเจ้าก็ ปัญญาที่สมาธิที่สมาธิหมุนหลังแล้วย่อมเดินคล่องตัวน่ะเดินได้คล่องแคล่วว่องไวไม่ทะเลถลายไปนอกรูนอกทางปัญญาปริภาวิตังกิตังสัมมาเดวะอาเสหิมุจติจิตเมื่อปัญญาซักฟอกแล้วย่อมดูดพ้นจากที่เด็ดทั้งกวงโดยชอบเนี่ย นี่หลหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยกิที่ควรจะพิจารณาปัญญาจริงควรพิจารณาไม่นอนจมอยู่ในความสงบเฉยซึ่งได้เพียงสมาธิแค่นั้นถ้าเป็นสัตว์ก็ไล่เข้าคอกเข้าที่จนกอกเท่านั้นเองยังไม่ได้ฆ่าปัญญานั่นแหละเป็นทางฆ่ากิเลสเป็นเครื่องมือฆ่ากิเลสเป็นอุบาวิธีการฆ่ากิเลสฆ่าไปโดยลําดับพิจารณาลงไปเรื่อยเรื่อยๆ หากรู้เองในตัวของผู้พิจารณาเพราะฉะนั้นจริงต้องเพลินพอรู้นั้นรู้นี้เห็นนั้นเห็นนี้แก่นั้นได้แก่นี้ได้ละนั้นได้ละนี้ได้ด้วยอํานาจของปัญญาปัญญาอยู่ตลอดเวลาแล้วทําไมจะไม่เพลินในผลของตนที่ทําลงไปนี่ที่ท่านว่าอุทจ j a เมื่อขึ้นเต็มที่แล้วก็กลายเป็นเรื่องอุท aja คือมันเพลินเกินไปให้ยับยั้งจิตเข้าสู่สมาธิ คือความสงบใจอันเป็นการพักงานของจิตจะบ้างน่นเมื่อจิตเด็ดพักพอสมควรแล้วก็เท่ากับคนที่ทําการทํางานเด็ดเหนื่อยเมื่อล่าแล้วมาพักผ่อนนอนหลับหรือรับทานอาหารมีกําลังแล้วค่อยทํางานต่อไปอีกอเรื่องของปัญญาก็กทํางานเช่นเดียวกันการพักจิตเข้าสู่สมาธิเป็นการพักงานของปัญญาไม่ทําพักจิต จิตมีกำลังแล้วออกก้าวเดินพิณานะพิจารณาดังที่เคยพิจารณานั้นนี่ทางแก้คิดเล็ดเป็นอย่างนี้ขอให้ทุกท่านจํเอาไว้ไม่เป็นอย่างอื่นมิตีการเป็นอย่างนี้แล้วจิตที่ไม่เป็นสมาธิเอาให้เป็นอย่าถอยจะเป็นจะตายกับการฝึกการแก้คิดเด็ดตัวให้เข้าสู่ความสงบนี้เอาแก้ลงไปเป็นก็เป็นตายก็ตาย ฝังกันลงไปสินักโรคถอยได้ได้ถอยได้หรือเอาให้จิตมีความสงบเย็นใจให้เห็นเพียงเท่านี้ก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายนักบวชหรือนักปฏิบัติเรานี่เรียกว่ามีทุนตั้งตัวได้ด้วยสมาธิจากนั้นก็คลี่คาทางด้านปัญญาที่จะหาผลประโยชน์ผลกำไรเพิ่ ม, เ ต, มเติมขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นมหาเศรษฐี มหาเศรษฐีธรรมนั่นแหละจะเป็นมหาเศรษฐีอะไรเมื่อก้าวทั้งด้านปัญญาแล้วก็ให้พิจารณาดังที่ว่านี่ไม่นอกเหนือไปจากอจุพะอจุพังทุกขงังอิจังอนัตตานี้เลยจะพิจารณาภายนอกก็ตามภายในก็ตามเพราะคำวมาสมุทัยคือกิเลสนั้นมันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นได้ทั้งภายนอกภายในติดได้ทั้งภายนอกติดได้ทั้งภายใน รักชังได้ทั้งภายนอกทั้งภายในเราจะพิจารณาทั้งภายนอกภายในตามเจดิต์นิสัยที่ชอบไม่ผิดพิจารณาลงให้มันถึงเหตุถึงผลให้ถึงความจริงนั่นแหละเป็นความถูกต้องแพิจารณาอสุภะในร่างกายของเราของใครก็ตามมันก็เป็นกองอสุภะอสุพังต่าชา้าผีดิบอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมานน่นตรงนั้งป่านนี้แล้วยังจะเป็นและจะแสดงอย่างเด่นชัดในเวลาตายอีจกจะขนาดไหน เวลานี้มันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นพิจารณาตามเรื่องความเป็นจริงนี่คือความจริงท่านเรียกว่าธรรมความจำปลอมก็คือว่าสวยว่างามอย่างนั้นอย่างนี้กิลังท้าวอนนี่คือความจำปลอมของกิเลสที่มันหลอกลวงของสัตว์ออกลวงสัตว์โลกให้ลุ่มหลงไปตามมันเพราะฉะนั้นโลกจริงหลงไม่มีอะไรหลอกมันไม่หลงแหละกิเลสนั่นแหละมันหลอกเราโง่กว่ามันมันฉลาดกว่าเรา แล้วก็หลอกทั้งๆ ท, ที่เป็นอย่างนี้แต่ยิ่เลียดหลอกเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปตามเขาเดียเพราะเราไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีความจริงเป็นเครื่องวดัดเครื่องตวงกันเป็นเครื่องเป็นคู่แข่งกันถ้ามีปัญญาพิณิพิจนาสิ่งที่ว่าเป็นความจริงทั้งหลายเช่นอรุภาอรุพังเป็นต้นแล้วความสวยงามมันจะมาจากไหนมันจะมาต่อสู้ได้เพราะอันนี้เป็นความจริงอันนั้นเป็นของปลอมมันต้องล้มละลายไปจนได้จนได้นั่นแหละแต่พูดถึงเรื่องกด ของใจรักก็เหมือนกันอันนี้จางมันแปลอยู่ตลอดเวลาสภาพไหนไม่แปลมีเหรือในสกลากายของเราเนี่ยแม้แต่จิตใจกิจยางมันก็แสดงเห็นความแปลอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นเหรือทุกขังจิตได้รับความทุกข์บางไหมายได้รับความสุขบางไหมว่าร่างกายก็บีบบังคับบีบเขาไปหาใจนั่นเองให้ใจได้รับความทุกข์ความทาเ น, นี่สำหรับทุกขงังอนัตตายังไปงมเงาอยู่หรื อ, รอว่าเป็นเราเป็นของเรานี่ พิจารณามันลงเห็นลงตามความจริงนี่เรียกว่าปัญญาอย่างทราบเข้าไปอย่างทราบเข้าไปรู้เข้าไปเรื่อยๆจิตก็เพลินในลายได้นั่นแหละที่นี่เมื่อเพลินในรายได้แล้วจิตไม่ต้องบังคับการพิจารณาทางด้านปัญญาไม่เหมือนขั้นเริ่มแรกที่ออกฝึกหัดทางด้านปัญญานั่นต้องเลยบังคับไม่งั้นมันทะเลทลัยส่วนมากไม่ทะเทะลทลายไปรูปเสียงกลิ่นแล้ว มันจะเถลไถลเข้ามาพักจิตมันขี้เกียจพิจรารณาเพราะเห็นว่าเป็นงานเป็นหนักเหมือนกับคนขี้เกียจไปทำการทำงานตากแดดตากฝนบ้างขุดดินฟันไม้บ้างเห็นว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาบไปนอนอยู่เฉยสบาย น, นี่จิตก็มันมีที่นอนมีที่พักมีที่สงบคือสมาธิ มันก็กลับเข้ามานี่เสียเพราะฉะนั้นจริงได้ฉุดได้ากออกไปเพราะงานทางด้านปัญญามันยังไม่เห็นผลเมื่องานทางด้านปัญญาได้เห็นผลแล้วที่นี่เพลินเรื่อยเรื่อยดีไม่ดีต้องล้างล้างเอาไว้ล้างล้างโดยสมาธิให้เข้าสู่สมาธิไม่ใช่ล้างแบบไ ป, ไปที่ไหนล้างเข้ามาสู่สมาธิให้สงบอารมณ์ของตัวบ้างคำว่าปัญญาปัญญาก็คืองาน ยิ้นั่นแดลเป็นผู้ทำงานทางด้านปัญญาก็ต้องมีเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วย้อนเข้ามาพักนี่เรียกว่างานพอเหมาะพอดีถึงเวลาพิจารณาไม่ต้องห่วงเรื่องของสมาธิเอาให้เต็มที่เต็มฐานเมื่อเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ารู้เจ้าของว่าเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วล้างจิตเข้ามาสู่สมาธิคือความสงบใจเรียกว่าพักจิตนั่น นี่คือความถูกต้องในตำราท่านก่อแสดงไว้แต่มันไม่ได้สนใจเท่าไหร่นักนะเวลาปฏิบัติมันปรลุมบอลจริงๆกับกิเลสประเภทต่างๆนี่แล้วมันลืมคำคำที่ว่าพักกิจพั ก, กิจทั้งๆที่ท่านแสดงไว้ในตำราเหมือนกันท่านเทียบถึงเรื่องการรบเวลารบกัรบรบเวลาพักเข้าสู่ค่ายเป็นที่พักพนก็ให้มีท่านว่าอย่างนั้นอ่านมใ น, น, นตำราก็อ่านแต่ แต่เวลามันเป็นอยู่กับกิตนี้มันมีน้ำหนักมากกว่าที่เราเรียนมาจำมาหรือมันเพลินมันเพลินในการพิจารณาเพราะการพิจารณานี้มันตัดมันแก้กิเลสไปโดยลำดับธนาดาและสว่างกระจางแจ้งออกกว้างขวางออกความรู้ละเอียดละอปัญญาก็เหมือนกันคลั่งตัวละเอียดละอไปโดยลำดับแล้วมันเป็นผลที่ให้เพลินให้เพลินให้เพลินคนเรามันถึงในเพลินแต่ก่อนเพลินกับกิเลสที่นี้เพลินกับธรรมมันกบกลับตรงกันข้าม เมื่อมันเพลินไปมากๆทั้งทัๆที่จิตเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันก็ไม่หยุดก็ให้ล้างจิตเข้ามาหยุดเสียมอยากทําเท่าไหร่ก็ไม่ทำแต่นี้เวลาเข้าสู่สมาธิยาไปห่วงปัญญาเหมือนไม่เคยคิดเหมือนไม่เคยพิจารณาล้างเข้ามาสู่อารมณ์อันเดียวคือสมาธิเรียกว่าอะไรเอโกตาลมเอโกคาตาลมคืออันเดียวรู้อยู่เฉพาะจิตเท่านั้น จิตเมืมม่อสมาธิละเอียด re, จริงๆแล้วจะมีความรู้อันเดียวไม่ยิบไม่เยบยบแนวนี่เรียกว่าสมาธิเต็มครูแนวกับแนวละเอียดอีกด้วยนะไม่ใช่แนวนเรามาคาดอันนี้มันก็ไม่ค่อยถูกนี่ก็เป็นการพักจิตไม่คิดไม่ปรุงนั่นก็เรียกว่าไม่ทางานพอได้กําลังแล้วถอยออกมานี่ก็ดีผึ่งเลยนี่นี่ทางแก้ทีเ่เลช พากันจำไว้ด้วยดีแด้ด้วยวิธีการนี้พักพักวิธีการด้วยด้วยวิธีการอย่างนี้ดาเนินก็ดําเนินไปด้วยวิธีการดังที่กล่าวมานี้จะเป็นไปพวกความราบรื่นสม่ําเสมอไม่คดไม่โคง้งไม่อ้อมไม่ผิดไม่พลาดจะเป็นไปพวกพวกความบุญพ้นโดยลําดับลาดาปัญญาเมื่อถึงขั้นละเอียดแล้วมันจะรู้ในตัวเองนั่นแหละภาคปฏิบัติเป็นภาคที่แน่ใจที่สุด เป็นภาคที่เราเจอด้วยตัวของเราเองเจอด้วยตัวของเราเองภาพพระญาติมีแต่จํามาไม่เห็นตัวสมมุติว่าว่าวควายนี่เราก็ได้ยินแต่ชื่อเห็นแต่ชื่อมันอยู่ในตำราตัวควายจริงๆไม่เห็นวัวจริงๆไม่เห็นสัตว์จริงๆไม่เห็นเสือจริงๆไม่เห็นภาคปฏิบัตินี้เห็นว่าควายเห็นเป็นตัวควายจริงๆว่าคนเห็นคนว่าดีเห็นดีว่าชั่วเห็นชั่วจริงๆภายในจิตใจว่ากิเลสตัวใดมันเห็นจริงๆใน หัวใจนั่นจริงๆว่าภาพปฏิบัติอันนี้จึงมีน้ำหนักมากมเมื่อเราได้สัมผัสสัมบันเข้าสู่ใจเราได้เจอเองเห็นเองแล้วมีน้ำหนักมากทุกอย่างนั่นแหละพูดได้เต็มปากไม่สะทกสถานเพราะมันเป็นขึ้นกับจิตรู้ขึ้นกับจิตนี่ทางด้านปัญญาทิ่พิจารณากิเลสทั้งหลายข่ากิเลสก็เป็นอย่างนั้นถึงเวล า, าที่ฆ่ากิเลสแล้วหมุนตัวเป็นธรรมจักเลยมันถึงทันการกัน กับกิเลสที่มันหมุนตัวเป็นวัตจักรอยู่ในหัวใจของเรามาดั้งเดิมจนคล่องตัวเป็นอัตโนมัติมันสร้างติตัวของมันสร้างตัวของมันอะไรๆเป็นเนื้อเป็นหนังของมันทั้งนั้นเป็นเรื่องของกิเลสแม้ที่สุดเดินจนกลมนั่งสมาธิภาวนาในขั้นเริ่มแรกที่เราไม่ได้เรื่องลาลาเพราะเป็น เ, เรื่องข้นขวากยกิเลสไปเสียทั้งมวลโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้นะเพราะมันคล่องตัวเมื่อเวลาสติปัญญามีกําลังเอาจนกระทั่งถึงจิตมี ความสงบเลยแล้วที่นี่ก้าวทางด้านปัญญาค่อยรู้เหตุรูผลจนกระทั่งได้รู้ชัดเจนเขาโดยลําดับแล้วทีนี้ก็เป็นธรรมจักรหมุนกลับทีนี่วัตจักรเป็นเรื่องของจุมพิตไทยธรรมจักรเป็นเรื่องของมรรคหมุนย้อนกลับแลที่นี้พิจารณาลงไปเรื่อยๆเรื่อยปัญญาขั้นธรรมดานั่นก็มีขั้นผาดโผลก็มีขั้นละเอียดละอลงไปก็มีขั้นซึมซาบก็มีนั่นเห็นในหัวใจเจ้าของาที่การปฏิบัติธรรม นี่แหละทำมาพุทธเจ้าสุดล้อนๆอย่างนี้ถ้าได้เจอเขาไปแล้วทําไมจะไม่ยอมมาพูดแเจ้าว่าทำนี่เป็นทำเลิอดนั่นแหละทำเลิอดเลิอดอย่างนี้แหละให้มันเห็นในหัวใจเจ้าของมันถึงพูดได้เต็มปากว่าเลิอจริงไอ้เลิอจะตั้งชื่อตั้งนามขึ้นมาว่าอันนั่นก็เลิอดอันนี้ก็เลิอดมันเลิอแข่งกันได้อันนั้นก็เลิอเลิอดนั่นสู้เลิอดนี้ไม่ได้เลิอดนี้เลิอดดีกว่านั้นไปอย่างนั้นถ้าเราเลือดทำในหัวใจแล้วไม่มีคู่แข่งไม่มีอะไรมาแข่งทีเด็ดมุดมอดไปโดยลําดับลาดา นี่จึงเรียกว่าเลิศนี่หละธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมสูงกว่าโลกอยู่ตลอดเวลายี่งค่ะมันในเห็นในหัวใจของเรานี่ก็สูงกว่ากิเลสตลอดเวลาโลกก็คือกิเลสนั่นแหละจะเป็นอะไรไปสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นหลุดเป็นพ้นในหัวใจแล้วนี่สงสัยอะไรโล ก, กธาตุอันนี้อืม เคยฝังเคยจมกันมาเคยได้รับความทุกข์ความทรมานมามากน้อยอย่างไรมันจะย้อนตามรู้ตามเห็นกันหมดเลยโทษก็เห็นเต็มหัวใจคุณก็เห็นเต็มหัวใจฟาดกิเลสให้อย่างถึงใจถึงใจเอาจนขาดสะบันลงไม่มีอะไรเหลือภายใจิตใจแล้วเป็นยังไงที่นี่จิต ด, ดวงที่บริสุทธิ์นี่กับกิตที่มอกมอมไปด้วยกิเลสเต็มอยู่ในหัวใจนั้นต่างกันอย่างไรบ้างไม่ต้องไปถามใครภาษาพูดสาธุพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ต่อหน้า ต, ต่อตานี่ก็ไม่ทูลถามพระองค์เพราะเป็นธรรมชาติอันเดียวกันจะพึงรู้พึงเห็นด้วยสันติโกเหมือนกันหมดนั่นสันติโกรพระองค์ประกาศดั้นไว้แล้วไม่ได้ผูกขาดเมื่อได้เข้าถึงนี้อย่างจัิงจั ง, จ ง, จงแล้วสงสัยผู้ที่เจ้าที่ไหนนี่เราเชื่อผู้ที่เจ้าเชื่ออย่างนี้ฮะเชื่อพระธรรมเชื่ออย่างนี้ถึงเชื่อเป็นของจริงไม่จะเชื่อลมๆแล้งๆเฉยๆแต่การคาดการหมายของผู้ที่ยังไม่เป็นไปนั้นเป็นความถูกต้อง เป็นกุยหมาป้ายทางให้เรายึดเราเก็แต่เมื่อเข้าถึงขั้นทำอันเลิศเลอถึงขั้มอันถึงทำอันสมบูรณ์เต็มที่ในตัวเองแล้วนี่ไม่เป็นลงเป็นแรงว่างอันเลยเชื่ อ, อย่างนี้เชื่อพระพุทธเจ้านิพานไปนานเท่าไหร่ก็ตามไม่เห็นมีความหมายอะไรกับดินฟ้าอากาศพัฒนาขันที่มันแปลสภาพไป เพราะมันเหมือนๆ ก, กันกับโลกทั่วๆไปถ้าขันของใครก็ตามของพระพุทธเจ้าของสาวกอราหารันมันเป็นขันนี่มันก็สลายก็แตกกระจายไปเหมือนกันแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นส่ไม่มีการสถานที่เวล่ำเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องสมมุติทั้งปวงดับหมดหท่านทีงเรียกว่าวีมตทหลุดพ้นที่ตรงนั้นเลยนี่การปฏิบัติธรรมมันไม่ได้เรื่องลาล้านะ ผมว่าจาย์ทั้งหลายก็ร่วงลับไปจนจะไม่มีเหลือแล้วเราจะเอาอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์เจ้าของยังตั้งตัวไม่ได้ทํายังไงทำไม่ตั้งเวลานี้จะตั้งอเรื่องของกิเลสต้องฝืนมันนั่งค่าเอาจําให้ดีคํานี้การต่อสู้กิเลสต้องฝืนมันนั่งค่าจนกว่าจะถึงขั้นราบลื่นแล้วไม่ฝืนอันนั้นไปดีขั้นขั้นขั้นต้นนี้จะต้องฝืนไปโดยลำดับลาดาอะไรถ้ามีชอบเป็นเรื่องกิเลสเลย <c oughs> ถ้าไม่ชอบเลยเป็นเรื่องทำเพราะกิเลสไม่ให้ชอบไม่ใช่ทําให้ชอบนะกิเลสไม่ให้ชอ บ, ชอบถ้าเป็นเรื่องทำแล้วกิเลสสกัดทันทีไม่ให้ชอบถ้าเี็เรื่องของกิเลสเปิดโล่งให้เลยให้ชอบให้ชอบนี่โลกถึงถึงได้ตะเตีดถ้าไม่มีอะไรมาย้อมมาแฝงมาหนุนอยู่แล้วจะติดหาอะไรอันนี้สิ่งที่นมาหนุนนั่นมันก็ไม่รู้เลยที่ว่าคืออะไรก็คือกิเลสนั่นแหละเหมือนถ้าทำเหนือมันแล้วมันกระุ้่ยหมดนะอะไรหนุนอะไรไม่หนุนอะไร เป็นธรรมชาติของจริงล้วนๆมันก็รู้อะไรเป็นเป็นของปลอมแฝงเข้ามาแฝงเข้ามาแทรกเข้ามามันก็รู้รู้หมดฮจริงเรียกว่าบริสุทธิ์ี่ใจถ้าลงในบริสุทธิ์แล้วมองทะลุหมดนั่นแหละนี่เรียกตัวไหนมันจะละเอียดขนาดไหนก็ความบริสุทธิ์นี่มันเลยนั่นแล้วเลยความละเอียดนั้นไปอีกแล้วนั่นเันที่นเห็นชัดทุกแง่ทุกมุมสิพระพุทธเจ้ า, าดูพวกเราทั้งหลายนี่เหมือนดูสัตว์นั่นเองจะผิดอะไรไป เพราะฉะนั้นจริงสงสารมากไม่รู้ภาษีภาษาไหลถูกให้กิเลสจูงจมูกไปอย่างนั้นหมุนไปทางรูปคิดไปทางรูปก็จูงทางเสียงก็จูงทางกลิ่นทางรถเครื่อ ง, งสัมผัสต่างๆมีแต่ถูกจูงถูกจูงไปโดยไม่รู้เนื้อ ร, รู้ตัวไปแบบเพลินเพลินจนลืมตายนี่พวกเรางโง่หรือฉลาดพิจารณาสินี่สําคัญมาก ทำถล่มในเหนือนี่แล้วทําไมมันจะไม่เห็นกันอย่างชัดเจนไม่โปรงธรรมสังเวชละ่ะเรื่องความเป็นอยู่ของจัตวโลกทั้งหลายกับธรรมชาติที่มือฉุดพุทธโธพ้นไปแล้วนั้นมองลงมามันเป็นยังไงนั่นนั่นแหละทีงเรียกว่าทำเลิอเลออย่างนั้นสิท่านมองพวกเราท่านเป็นยังไงพวกเราหูหนาตาเถื่อนท่านหูแจ้งตาสว่างรอบด้านโลกวิถูมองดูพวกมืดหูหนาตาเถื่อนงกงกงกังนงนัน ลมลม้ลมคานคานเป็นยังไงนี่แหละพวกเรามันเป็นอย่างนั้นแหละเวลานี้ใครจะรีบตั้งเนื้อตั้งตัวเพื่ออทำเจ้าให้รีบเขียนนะตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรตายแล้วก็ไปเกิดเหมือนเก่านั่นแหละเออกิดก็ทุกข์อันเก่านั่นแหละเอามันไม่หมดในหัวใจนี่มันรู้อยู่นั้นแล้วเป็นกังวลอะไรกับเรื่องกวามเป็นความตายภาษาธาตุขันมันสลายตัวของมันลงไปท่านั้น เรื่องมันก็มีท่านั้นท่านหมดเรื่องของสมมุติแล้วเรื่องเป็นเรื่องตายก็เป็นเรื่องสมมุติจะมีอะไรมาเป็นภาระให้หนักหน่วงแต่จิตใจท่านไม่มีนี่วันนี้แสดงทํานี่ก่อนรู้สึกหน่อยแล้ว อ, ลอ่ะละพอท่านเหนื่อยแล้วก็ต้องหยุดเวลาเทศจิดมันก็ไม่ออกมาทั้งธาตุทั้งขันหมุนมันไปพอมันแยออกมารู้เหนื่อยมันก็หยุดเลยแล้วุกว่า น, นี้ไม่ไม่มีงานเลย คด็มันบพูดแบบโลกเมันสนุกพิจารณาสนุกเที่ยวก็ได้โลกธาตุเรือตลอดวันนะผมนัม่งกู้กับการเรืวจากคนมาหนะะ่าขาต้งก้อนหารับอยู่ตลอดเรื่องจำเต็มไ ม, ไม่มีเวลาอื่ย มากก็อดใเรารู้สุกมากกวดพวกวัดนะให้ล้กับมือบ้างเล่นมาว่าเรามากก็อดไม่ว่าคว้าความามบายคามเยินมือก็มันหดมากเลยนะหดเขามากนะแต่ถ้าขันมันหดเข้ามาเดี๋ยวก็พาละตลังอะไรไม่อยากเลื่อนอย่างไรเลย มันเป็นขอมันเองนะเราเป็นรับทาบมันแค่เน้เป็นของมันเองเหมือนกับเครื่องมือเนค่อยสึกค่อยห่อเข้ามาุดเหล่อเข้ามาทุกสัดทุกส่วนของเครื่องมืออาคารผลลบมีเรื่อที่สุดอะไรอันนี้คือความใจส่งซุดค่อยจะสุดคุณบวกน่ค่อยมี ส่งไว้ส่งไว้รถส่งไว้ครัวรถทงไว้เพรถมคงทนเองจริงนะับู้กับคนกับยากกับโยมผ้าเนงผมคนเลยในงั้นพระธรรมดานสายผมผมอผมไปนานแล้วนะมันเป็นไปได้อย่างไกลหวังคือหาหาดีตามแตทํามขอวันเล็กมองน้อยเลย อาศัยเขาวันนวันนั่นนี่บนภูเขานีมือนกันนจังหวะว่าขออะไสันนิ่งอยู่สบายยั่ของไม่อะไรยุ่งถ้าเชี่ยวไหนก็เชี่ยวไปเชี่ยวมันเป็นธรรมนนดูอล้วมันก็เป็นธราไปหมดมันไม่เป็นโลกเมื่อมันเป็นธําแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นธราไปหมดเลยเวลาเป็นโลกอะไรก็เป็นโลกไปหมะเมื่ it. อราศมัน เป็นธรรมชาติทั้งมันอย่างนี้แล้วมันก็มองดูฟังเสียงอะไรอะไรนี่มันเป็นธรรมเป็นมดเลยมันก็ลื่นลื่นมาสิอย่างนั้นม่มีโลกเข้ามายุ่งอันนี้กี่ปาฏิาเนี่ยถึงว่าแสนทนเลยกิเลนก็ว่าเราดุไปเรอเราเราเมตตาจะตายดูด่าว่ากล่าวนี้จะเป็นไปด้วยความเมตตาทั้งนั้นนะ กิเลสมันเพิ่งเป็นก้ารสิ่ต่อทำไม่ว่างั้นนี่แต่ว่าท่านดุท่านด่าอะไรว่าเลยเรื่องกิเลสล้นล้นหรื อ, รอเปล่า เ, เราไม่มีอย่างนั้นเราอะไรมามีว่างั้นเลยมีกิเลสเท่า น, นั้นพาให้เป็นฟาดเรียบพุทลงไปแล้วมันจะอะไรมามีวะเราข้อวัดปฏิบัติ ต อ, ตอนเช้าตอนเย็นตอนไหนยังไงใครมาย่อหย่อ น, อนมาทำหมูวัวให้หนักใจไม่ได้นะผมยิ่งกำลังออนยิ่งไม่กับอะไรนะฉะนันจึงอย่าให้หนักใจดูก็ดูก็รู้นเล่นกับอะไรมเมื่อไหร่วันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ไปนะเรื่องก็เรื่องเกิดรืองคนผมบังคับเอานะเพราะเรา่องความสงสารนะั่นแหละ พอถูกว่าวยไปอยากอื่นอย่างใจมันไม่มองไม่เห็นอ่ะอันนีแต่ความงุงสานาเรื่องของเกลื่อนน่นัเรื่องขยักขยั่งจริงนะแล้วอยากจะอัดันกล่อมหัวใจสับโลกนี่นี่อ่ะที่ที่ที่ทำให้ท้อใจนะพิจารอาใจการในการแนะนำสังสอนเพราะอันนี้มันติดพันอยู่กับใจเลย ทำไม่ท้ออ่อนใจที่จะสอนจรงาจั ง, งจรงมันไม่เห็นก็เห็นอะไรมันนะเรามันหยาบมั น, มนคิดดูเรื่องควาเพียรเรื่องของมันกับพิลึกนองว่าอะไรอีกเนี่ยเพราะเรามันหยาบพีมันต้องได้ควาต้องได้้ควาเพียรดังหนัก มันก็พอดีกันนะคือว่าพอดีกันคือว่าเรามันจนกลองจริงเอาไปเราตายเขาว่ากันมันก็ระู้ตรงนั้นแหละให้ม่ถึงนั่นมันไม่รู้นี่มันต้องเล็ยใส่กันตรงนั้นอย่างนั้นน่ะธรรมดาธรรมดานี้มันไม่สะดุดใจนะถ้าเอาแบบตายเขาว่าเลยแล้วนั่นสะดุดละที่นี่ได้หลักเละเจนฑ์เป็นที่ลึกฝังอย่างลึกอย่างลึกอหะธรรมดาไม่ได้เรื่องมันไม่ได้เรื่องแล้วก็จะไปทํา ดูงั้นได้หรือยังไงมันจะเรื่อ ง, องฟัดกันดิหาค้นหากันดิพวกเรานี่มันจะเข้าขั้นปัทภปรมามะแล้วนะอ๋อไม่ใช่เล่นมันจะเลยเนยยะไปแล้วนะเข้าขั้นปัทภปรมามะคือจิตมันด้านต่อตอาตธรรมะเรื่องเข้าเข้าขั้นปัทภปรมามะเลย กิเลสมันกล่อมได้ดีได้ดียิ่งกล่อมจะนิดเข้าไปสัตว์โลกทั้ลยิ่งเคริ้มหลับไปกับมันเวลานี้กําลังร้อนกับเพราะอะไรก็เพราะกิเลสกล่อนเงเหตุอะไรอะไรสงที่เป็นพื้นไปมากาอะไรยิ่งชอบยิ่งสงวนยิ่งเสาะแสวงหามาเนี่ยเนี่ยฟังดิเส่งลาคาตันหานี่ยตัวนี้ตัวร้อนที่สุดในแดนสมุทรตัวนี้ร้อนมากที่สุดทําให้ร้อนมาก เลยโลกชอบมากที่สุดเนี่ยฟังด้วนี่ที่มันไม่อ่อนใจได้ยังไงตัวนี้ตัวตัวเป็นพิดมากที่สุดแล้วโลกเสาะแสวงหาและชอบมากที่สุดด้วยทุกวันนี้ยิ่งส่งเสริมกันโอ้ไปหาคว้านมาจากเมืองนอกเมืองนาที่ไหนเป็นหนงังโปะหนังเป๊ะวีดีโอโอ้โหหนักทุเลย น, นะ ผมพูดจริงนะผมอ่อนใจจริงๆนะไม่คาดจะสอนไปเลยสอนมนุษย์อย่างั้นเลยทั้งหมดมันมองหาตัวไม่เห็นเห็นหนึ่งกต่ยี่เด็ดุมล้อมอยู่ตลอดมันมองหาคนคือธรรมมันไม่เห็นยี่เด็ดุ่มล้อมรุมล้อมอยู่ตลอดมันจะไม่อ่อนใจได้ยังไงก็มอนนนือมันหนาแน่นขนาดนั้นแล้ววันนี้อเอาแค่นี้แหละเอานี่สิ